พระนาเคเสนไปศึกษาพระไตรปิฎกกับพระธรรมรคคิตะในคราวนั้นมีเศรษฐีชาวเมืองปาตรีบุตรคนหนึ่งได้เดินทางมาค้าขายตามชนบททั้งหลายครั้นขายของแล้วก็บรรทุกสินค้าใหญ่น้อยลงในเกวียนห้าร้อยเล่มออกเดินทางกลับเมืองปาตารีบุตรได้เห็นพระนาเคเสนออกเดินทางไปจึงให้หยุดเกวียนไว้ แล้วเข้าไปกราบนมัส ก, การไตาถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนขอรับพระนาคเสนตอบว่าอาตมาจะไปเมืองปาตรีบุตรเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับโยมเถิดจะสะดวกดีดีแล้วขาหะบดีลำดับนั้นเศรษฐีจึงจัดอาหารถวายเวลาฉันเสร็จแล้วเศรษฐีจึงถามว่า พระคุณเจ้าชื่ออะไรขอรับอาตมาชื่อน่าเกษท่านรู้พระพุทธวจนะหรืออาตมารู้เฉพาะอภิธรรมเป็นลาบอันดีของโยมแล้วโยมก็ได้เรียนอภิธรรมท่านก็รู้อภิธรรมขอท่านจงแสดงอภิธรรมให้โยมฟังสักหน่อยเมื่อพระน่าเกษแสดงอภิธรรมจบลงเศรษฐีก็ได้สําเร็จพระโสดาบัน แล้วพากันออกเดินทางต่อไปครั้นไปถึงที่ใกล้เมืองปาตารีบุตรเศฐีจึงกล่าวว่าข้าแต่พระนาคเสนทางนั้นเป็นทางไปสู่อโศการามพระผู้เป็นเจ้าจงไปทางนี้เถิดแต่ทว่าอย่าเพิ่งไปก่อนขอนีมนให้พรแกโยมสักอย่างหนึ่งเถิดพระนาคเสนตอบว่าอัตมาเป็นบรรพชิตจกให้พรอะไรได้ พรใดที่สมควรแก่สมัมมนขอท่านจงให้พรนั้นถ้ากระนั้นโยมจงรับเอาพรคือการกุศลอย่าประมาทลืมตนในการกุศลพร อ, อันนี้มีผลโดยสุจริตขณะนั้นเศรษฐีจึงถวายผ้ากำพลพร้อมกับบอกว่าขอท่านจงกรุณารับผ้ากำพลอันยาว16ศอกกว้างแปดอก ของโยมนั้นไปนุ่งห่มเถิดพระนาเคเกษจึงรับเอาผ้านั้นไว้ส่วนว่าเศรษฐีถวายนามัสการแล้วจึงกราบลามาสู่ปาตลีปุตตะนครส่วนพระนาเคเกษก็ออกเดินทางไปสู่สำนักพระธรรมรักขิตะที่อโศการามกราบไหว้แล้วจึงเรียนว่าขอท่านได้โปรดสอนพระพุทธวจนะให้กระผมด้วยเถิดขอรับ